ตัวทดสอบเนี่ยนะสิ่งทดสอบเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งเล่านิทานตบท้าซักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวไม่ได้เล่านิทานเลยจะเสียประวัติมีนิทานนี้นะพระพุทธเจ้าเล่าเองนี่โฆษณาไปหน่อยให้ฟังตบท้ายพระพุทธเจ้าเล่านะบอกว่ามีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสาวัตถี ด้วยจาสาวัตถีไหมเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสาวัตถีแม่บ้านคนหนึ่งแม่บ้านในที่นี้หมายถึงหมายถึงภรรยาของเจ้าของบ้านนะถ้าแม่บ้านเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นคนทําครัวอะไรประมาณนั้นนแม่บ้านคนหนึ่งมีกิตติศัพท์เรื่องลือไปทั่วไปคนทั้งหลายรู้จักว่าแม่บ้านคนนี้ เป็นคนเยือกเย็นเรียบร้อยแจ่มใสมีจิตใจดีโอบอ้อมอารีเอื้อเฟือ้อคนทั้งหลายมีคำล่ำลือถึงคนคนถึงแม่บ้านคนนี้ธาตุในบ้านชื่อนางกาลีโอ้ชื่อน่ากลัวชื่อนางกาลีไม่รู้ธาตุทำไมชอบชื่อนี้นะไป เรื่องไหนเรื่องไหนก็เวลามีธาตุนะจะชื่อนี้อยู่เรื่อยๆนะชื่อกาลีนางกาลีเนี่ยก็ตั้งตั้งโจทย์ขึ้นมาสงสัยนายตัวเองที่เขาล่ำลือว่านายเราเยือกเย็นใจดีมีจิตใจแจ่มใสเป็นคนดีเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมืองอย่างนี้จริงหรือที่เห็นอยู่เนี่ย ที่เห็นว่าใจดียิ้มร่าเริงสดใสเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นเพราะจิตใจเขาดีหรือเป็นเพราะเราจัดการงานดีนี่นางทาตความคิดของนางทาตีความคิด ง, งี้นะนี้นางก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองตั้งสมมุติฐานแล้ว ้องทดลองเช้าวันหนึ่งตะวันก็ขึ้นแล้วปกติแล้วเธอเนี่ต้องออกลุกขึ้นมาตําข้าวหุงข้าวจัดการปัดกวาดเช็ดถูวันนั้นสายแล้วยังไม่ลุกจากที่นอนแม่บ้านซึ่งเป็นนายนายหญิงเรียกว่านายหญิงก็แล้วกันนะนายหญิงเห็นนางกาลีไม่ลุกขึ้นมา ตามไปถึงห้องนอนอีอีอะไรดีอีอะไรสักอย่างเลยน ะ, ะทำไมยังไม่ตื่นขึ้นมาตะวันสายปานนี้แล้วแกเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่าปกติดีอยู่ปกติดีแล้วทำไมไม่ตื่น ต้องกระแทกเสียง่อยนะปกติดีแล้วทำไมไม่ตื่นอีจุดจุดจุดอ่าแกก็ลุกขึ้นมานางกาลีก็ลุกขึ้นมาเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าแล้วไปจัดแจงอ๋อมีอย่างนี้ด้วยนึกในใจนะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเอหรือว่ามันชั่ววูบทดลองอีกทุติยมปิ อีกวันหนึ่งอีนั้นหนักมาอีกนะแรงขึ้นดา่ากราดขึ้นอะไรเมื่อวานก็ทีนึงแล้วมันนี้ยังเป็นอีกเหรอไปไปไปไปไปทำ ง, งานอเอไม่มั่นใจต้องตะติยียมปี เอาให้แน่ใช่ไจเจ้าให้แน่ต้องสามครั้งใช่ไหมน้ำโมยางสาครั้งใช่ไหมทรีไทมใช่ไหมอ <laughs> ก็เลยตะติยำปิดวันนั้นสายกว่าปกติเลยนะสายแล้วนายหญิงก็ยิ่งกรอดจัดเลยอะไรวะยหยกาลีเจ้าขาแกเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเจ้าขา ผลักประตูปึง้งคว้าริ่มไม้ประตูโบราณนะ่นะเวลาเปิดไปแล้วจะให้อยู่เนี่ยต้องมีริ่มสลักคว้าไปกว้างฟิวเป้งเจาะเลยนะเลือดตกเลยนางกาลียอมนางกาลลียอมเพื่อทดลองดูสินักวิทยาศาสต ร, ร์ไหมกูเห็นแล้ว <laughs> แม่นแล้วแม่นจริงๆแม่นแล้วแม่นแล้วออกไปเลยออกไปเลยนะถือลิ่มไปด้วยนะออกไปเลยโพนธนาให้ชาวบ้านรู้เลยท่านทั้งหลายจงดูเถิดนายหญิงของเราที่ท่านบอกว่าใจดีเยือกเย็นอารมณ์ผ่องใสทำกับเราอย่างนี้ดูสิแค่ตื่นสายการงานที่เราเคยทำ เราไม่ได้ทำไปเพียงสองสาวันทำกับเราเหมือนจะเอาชีวิตอย่างนี้เลือดเห็นไหมลิ่มเห็นไหมนี่อย่างนี้ชาวบ้านเห็นโห้จริงด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะวดัดบ้านคนเนี่นะถึงจะเป็นเศรษฐีนะมันก็มีบริเวณไม่กว้างไกลอะไรเท่าไหร่หรอกมันก็ได้ยินกันเมื่อกี้เพิ่งได้ยินเสียงตะวาดอยู่ใช่เลยแม่บ้านคนนี้เขาตะวาดนางกาลีอย่างนี้ เสียงล่ำลือกิตติศัพท์อันดีงามเนี่ยนะใช้เวลาสร้างนานกว่าจะเป็นที่นิยมยกย่องว่าใครที่เป็นคนดีใช้เวลาสร้างสมนานแต่ความเลวเนี่ยวันเดียวครั้งเดียวไปประกาศครั้งเดียวความดีที่เคยสั่งสมไว้ล้มหมดเลยกิตติศัพท์ที่ล่ำลือต่อไปคือ ปฏิรูปที่อยู่ข้างหลังคือเป็นคนดีเทียมเอ๊ะมันทำไม деся. มาลงที่ปฏิรูปเข้ <MJ> <laughs> าใจัหมมันเป็นคนดีที่เทียมเพราะเวลามีเหตุการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วไม่ผ่าน คนดีถ้าดีจริงมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วต้องดีให้ได้ต้องผ่านถ้าดีเทียมเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งโกรธไม่ผ่านถ้าตายตอนนั้นทุกขติ <c oughs> ต้องเป็นดีแท้ปฏิรูป ต, ต้องมาก่อนแล้วเป็นคําศัพท์อย่างนี้นะถ้าเป็นคําศัพท์แล้วปฏิรูปทัง้งหลังเทียม พูดถึงคำศัพท์นะมีอะไรสงสัยไหมคือถ้าสมมุติว่ามีนางคนหนึ่งนะคะ่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ทำให้คนส่วนมากกลายเป็นเหมือนกับเกิดกิเลสเกิดความโกรธแค้นบ้างเกิดความเอามันบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้ไม่ทราบว่าเขาบาปขนาดไหนยังไงอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนานะในการทำอะไรก็ตามถ้าเจตนาเพื่อตนมันเสียงแล้วนะเพื่อตนได้เพื่อพวกของตนได้กับเจตนาเพื่อให้คนส่วนรวมโดยรวมในสังคมได้เจตนาถ้าผิด การกระทํอันนั้นก็ผิดผิดธรรมไม่ยุติธรรมอุเบกขาข้อหนึ่งจะไปส่งเสริมธรรมะอีกข้อหนึ่งคือสมานาตตาเคยได้ยินไหมเป็นธรรมเครื่องผูกใจคนคนผูกใจคนด้วยวิธีให้มีทานข้อสองคือ ปิยวาจาข้อสมคืออัตจาริยาข้อสี่คือสมานตตาคนก็เข้าใจเรียนมาก็ให้เพื่อผูกใจให้เป็นพี่ให้บ้างเป็นพ่อให้บ้างอะไรนะั้นให้แต่ให้ด้วยเจตนาอย่างไงให้แล้เจตนายังไงให้เพื่อมาทำงานอะไรให้รับใช้เราในทางที่ผิดให้นั้นเป็นอกุศลเป็นบาปไม่ใช่ธรรม ไม่ได้กำลังจเจริญธรรมเพื่อสร้างกุศลแม้จะผูกใจได้ไอ้คนผูกใจก็ไม่ใช่ผูกใจด้วยธรรมปิยวาจาพูดดีพูดดีด้วยแต่เจตนาไม่ดีคือเจตนาเพื่อตนหรือพวกของตนไม่เป็นธรรมเอาแรงเข้าช่วยแต่เจตนาไม่ตรงคือไม่ได้เจตนาเพื่อธรรมะคือเพื่อส่วนรวม ให้เจริญด้วยการจริงแต่เจตนาเพื่อตนหรือพวกของตนกลุ่มเล็กๆไม่เป็นธรรมตัวนี้ตัวอุเบกขาคือเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนี่จะมาเป็นตัวหนุนให้การทำสังคาวัตุสข้อตรงตามธรรมโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือสมานาตตาสมานาตตามาจากคำว่าสมานสมานะสมาน บวกคำว่าอัตตาอัตตาคือความเป็นตนเอาตนเข้าไปเสมอสมานภาษาบาลีนะแปลเป็นไทยแปลว่าเสมอแต่เสมอในภาษาไทยจะความหมายอาจจะเพียเพ้ยนๆไปบ้างเสมอในภาษาไทยเนี่ยจะกลายเป็นว่าแข่งกันแล้วไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเสมอกันเจ้ากันเสมอฟุตบอลคู่นี้เสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งจริงๆทั้ง2ฝ่ายอยากชนะ เข้าใจไหมทั้งคู่อยากจะชนะแต่ดันเสมอกันมันเสมอในในแง่แข่งขันแย่งกันแต่สมานที่แปลว่าเสมอเนี่ยเป็นเสมอแบบประสานกันประสานน้ําใจกันไม่ใช่สมานไม่ใช่ประสานแบบธรรมดาเดินนะเอาตนคืออัตตาเข้าไปสมานกันเลยคือเป็นเหมือนเป็นพวกเดียวกันเลยเข้าใจไหม ตัวสมานะต า, ตาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีธรรมะเมื่อยุติธรรมไม่แบ่งเขาแบ่งเราตัวสภาวะของสมานสมานะเนี่ก็คือว่ามีตนเข้าไปเสมอร่วมสุกร่วมทุกเสมอมีสุขสุขด้วยมีทุกทุกด้วยไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่เหยียบย่ำน้าใจกันไม่พูดเยียดหยามกัน มีความยุติธรรมอย่างงี้นะไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นพวกเราเราเฉพาะพวกนี้ไม่ใช่คนจะผูกใจกันได้ต่อเมื่อว่าเอาตนเข้าไปเสมอเลยคือเสมอทั้งหมดเลยแต่ผูกอยู่กับตัวเองหรือพวกตัวเองกลุ่มตัวเองอย่างนี้นะกลุ่มเล็กๆ เ, เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากคนกลุ่มใหญ่มาสนองกับคนกลุ่มเล็กนี้ไม่ใช่ธรรมะใช้ไม่ได้ต้องเสมอให้ให้หมด ร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนทั้งหมดสุขสุกด้วย ท, ทุกทุกด้วยไม่ใช่ฉันสุขอยู่กลุ่มเดียวคนอื่นทุกช่างมันแล้วก็ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังคนไทยจะเรียกเลือกที่รักมักที่ชังใช่ไหมแต่ถ้าใตรงเนี้ยมันจะเป็นเลือกที่รัเลือกที่รักผลักที่ช่างรักเอามัช่งไม่เอาเรื่องกลุ่มนี้ไม่มาเฉลีย่ยหรือไม่มาเยินยอเราเราไม่เอา จะเฉลียหรือไม่เลือกอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตรงตามธรรมขอให้ตรงตามธรรมอย่างนี้จึงจะยุติธรรมจึงจะสมานจริงจึงจะสมานจริงเราก็ต้องเวลาเห็นคนที่เป็นศัตรูเห็นคนที่เป็นศัตรูนะถ้าเจริญเมตตาไม่ได้ให้อุเบกขาว่าเขาจะต้องเป็นไปตามกรรมที่เขาทำไม่จะแช่ง ไอ้ตุงเบกขาเนี่ยทำไม่ดีกลายเป็นแช่งนะมึงจงต้องได้รับผลของกรรมของมึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทำดีย่อมได้ดีแม้เราเองถ้าพลาดทําไม่ดีก็จะได้รับผลไม่ดีด้วยถ้าเราคิดเคียดแค้นขณะนั้นไม่ดีถ้าเราโกรธขณะนั้นไม่ดี เข้าใจไหมแม้เราเองเมื่อมีความไม่ดีจะได้รับผลของความไม่ดีนั้นด้วยเมตตาตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่เอาเมตตาเขาว่าโอ้ oh, น่าสงสารเมตตาลูกหลานอย่าเป็นอย่างนั้นสอนให้เขารู้จักความเป็นไปของสังคมเป็นอย่างนี้อย่าทําอย่างคนนั้นดูคนนี้นะคนนี้ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้บอกด้วย <c oughs> ถ้าไม่ดีมีอยู่ในเรานะ ผลที่ไม่ดีอันนั้นก็คอยให้ผลด้วยความไม่ดีที่มีอยู่นั้นก็คอยให้ผลเราจรึงรู้สึกว่าทำไมกูไม่ได้ดีสักทีเพราะว่าดีของเรามีอะไรไม่ดีแทรกแซงอยู่เพราะนั้นจะให้ดีจริงให้รู้ทันความไม่ดีรู้ทันความไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดีแบบเข้าข้างตัวเองด้วยยอมรับตามจริงว่ามีของไม่ดีอยู่ในใจ แล้วไม่ดีนั้นจะดับไปเข้าใจไหมยอมรับอย่างซื่อๆว่ามีสิ่งนี้อยู่จริงส่วนคนอื่นเขาจะมีหรือไม่มีถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะได้รับผลของเขาเองแต่หน้าที่ก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องวิธีการอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องการปฏิบัติของเราคือรู้ทันความไม่ดีของตัวเองถ้าเราใช้ความโกรธเ้าไปสู้ คนไม่ดีเราเองจะเป็นคนไม่ดีด้วยเพราะในขณะที่โกรธไม่ดี <c oughs> น, นี่นี่ยุอะไรกันบอสไม่ใช่เนี่ยนี่เตือนสตินะ <c oughs> อ อ, อยากถามเรื่องสักกายทิฐิที่พระ ส, สวดาบันละได้อะค่ะว่ามันกินความเฉพาะกายหรือว่ารวมถึงจิตด้วยจิตด้วยมันหมายถึงอะไรจิตด้วยสักกายทิฐิ กายตรงนี้มันถึงกองเลยกองของรูปนามนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานหนูลองเปิดดูพจนานุกรมพุทธศาสตร์อะคะ่ะเขาพูดถึงกายแต่คำว่ากายนี้หมายถึงรวมจิตยัเนเหรอคะเป็นกองเลยกายนี้แปลว่ากองธรรมกายคือกองแห่งธรรมไม่ใช่เป็นรูปนิมิตอะไรอยากให้ช่วย อ, อธิบายเรื่องสกยายทิถีหน่อยค่ะคือความยึดถือว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเรา เป็นความเข้าใจผิดชีวิตจะประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ๆคือกายและใจนะพูดง่ายๆนะกายหรือจิตกายกับจิตหรือกายกับใจเนะี่ยสองส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อให้ใหไม่เป็นเรานะไม่ใช่อย่างนั้นนะปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงที่มันเป็นจริงๆตามธรรมชาติจริงๆกายเป็นอย่างหนึ่ง เป็นสภาวะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ด้วยด้วยตาบ้างหูจมูกกลิ้นกายสัมผัสทั้งห้าส่วนใจคือที่พ้นจากสัมผัสทั้งห้านี้ใจนี้ก็มีรายละเอียดแบ่งออกไปอีกก็ได้จะมีเวทนาก็ได้สัญญาสังขารหรือตัวรู้คือวิญญาณตัวรู้ในนี้หมายถึงรู้ไปทั่วเที่ยวรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ความคิดอะไรเงี้ยนะ ไม่ตัวไม่ใช่ตัวรู้แบบสติเป็นตัวรู้แบบเสพเสวยเสพเสวยรู้ว่ามีแสงสีรู้อย่างนี้เนี่ยสภาวะของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความวัยของจิตที่มันเสพเสวยเกิดเกิดดับดับเนี่ยนะจิตที่เสวย เ, เสวยโลกอยู่เนี่ยมันไม่ทันเข้าใจมันก็ไปเข้าใจว่าไอ้นี่น่ากินไอ้นี่น่าดูไอ้นี่น่าฟัง แล้วจะให้ดีในความรู้สึกของจิตเองจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งไปเป็นผู้ดูผู้เสพมันก็เลยเข้าใจว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าพูดอย่างง่ายๆตามภาษาหลวงพ่อพุทธทาคือมีกูไปดูมีกูไปกินมีกูไปฟังไปเห็นทั้งหมดซึ่งไม่มีจริงจิตนี้ปรุงด้วยความ ไม่รู้เรียกว่าด้วยอวิชชาสิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้กับจิตก็คือจริงๆแล้วมันมีแค่อย่างนี้มีอะไรมีกายกายจริงๆเห็นกายเห็นกายจริงๆไม่ใช่เห็นกูกำลังหายใจไม่ใช่เห็นกูกำลังนั่งเห็นกายนี่มนเหมือนก้อนไอสสก้อนหนึ่งกาลังหายใจกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาขาแวขแมแวนี้นะ <laughs> เห็นจิตเวลาเห็นจิตท่านก็สอนให้ดู ขณะนั้นมีราคะก็รู้ว่ามีราคะราคะดับจิตขณะนั้นไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตขณะนั้นไม่มีราคะสอนให้ดูสภาวะแท้แท้ไม่ใช่ว่ากูกำลังรักกูกำลังโกรธอย่านั่นไม่ดีอยนนี่ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นราคะที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นโทสะที่เกิดขึ้นกับจิตขณะที่เห็นนั้นมันจะเห็นสภาวะ ตอนเห็นสภาวะจิตจะได้รับข้อมูลแท้แท้แวบหนึ่งทุกครั้งที่มีสติเห็นสภาวะนะจิตจะมีได้รับข้อมูลแท้แท้แว็บหนึ่งว่าไม่มีตนที่เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีตนแต่เราอาจจะไม่ทันรู้แต่จิตรับข้อมูลแล้วเมื่อกี้นี้มีโทสะมีความโกรธเกิดขึ้นมีจิตไปรู้เข้าว่ามีโทสะเกิดขึ้นกับจิต จิตที่มีสติเกิดขณะนั้นมันส่งข้อมูลให้กับจิตเองว่าไอ้ที่เข้าใจว่ามีตนอยู่เสมอนั้นมันมีข้อมูลหมายว่ามีโทสะกับมีตัวรู้แต่เราไม่ทันสังเกตแสดงว่าเรากับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันข้อมูลนี้นะจะไปเรื่อยๆนะจิตค่อยๆฉลาดขึ้นค่อยๆได้รับข้อมูลมากขึ้น จนจิตเข้าใจขึ้นมาจากการที่มีสติรู้ทันราคะบ้างโทสะบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหูบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขที่เป็นเนคขมะบ้างสุขที่เป็นเคหะสิตะบ้างีนะสุขอยู่กับโลกสุขจะเตรียมจะพ้นโลกพูดง่ายงอย่างนี้นะสุขบ้างทุกบ้างอุเบคาบ้างเรียนรู้อย่างนี้ในขณะที่เห็นมันเห็นสุขไม่เห็นเราขณะที่เห็นทุก็เห็นทุกไม่เห็นเรา ไม่ใช่กูทุกไม่ใช่กูสุขแต่เห็นสุขที่เกิดขึ้นเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นความเฉยๆที่เกิดขึ้นเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างไม่เห็นไม่ใช่เห็นแย่นั่นไม่ดีแต่เห็นราคะที่เกิดเฮ้ยเห็นโทสะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เห็นหนุ่มคนนั้นหล่อแต่เห็นราคะที่เกิดขึ้นนี่เป็นการให้ข้อมูลจนกว่ามันจะพอความพอก็มันคือจิตมันฉลาดขึ้นมาสรุป กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเองว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เรามันไม่ได้สรุปเป็นคำพูดเป็นความรู้สึกเป็นปัญญาขึ้นมาแวบบเดียวไม่นานแล้ว เ, เวลาเวลามองออกมาจากมุมของพระโสดาบันความเป็นเรานี่มันเป็นยังไงมันกลายเป็นยังไงเงินก ล, งกลวงมัน นี่พูดตามที่ได้ยินมาเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ยยังไงจากที่ได้ยินมานะพระโสดาบันจะมองมาในมองมาในตัวตนที่เคยเข้าใจว่ามีมีเราเนี่ยมันจะเป็นกลุวงๆว่างๆเราเวลามองมองมาที่ตัวเองนะนะัจะเหมือนมีมีเราอยู่จริงๆมีเราอยู่จริงๆเราตอนเด็กๆกับเราตอนนี้ เหมือนเราอันเดียวกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนร่างเท่านั้นเองร่างที่เด็กๆมันตึงๆเดี๋ยนี้ชักเหี่ยวๆอะไรเงี้ ย, ยนะร่างเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปแต่เราเนี่ยยังคงอยู่และถ้าเราเนี่ยนะพัฒนาดีๆนะเราเนี้ยจะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์จะเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เหมือนมีเราอยู่จริงๆแต่พระเจ้าเนี่ยสอนให้เกิดสัมมาทิฐิคือเห็นถูกพระโสะดาบันเป็นผู้ที่มี ทิฏฐิสัมปันโนคำศัพท์นะคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์แทนพระโสดาบันทิฏฐิสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือเห็นตรงเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่กิเลสยังมีอยู่นะแต่เข้าใจถูกแค่นี้เนี่ยการเกิดไม่เกินเจดชาติละแต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้ ต้องสร้างเหตุให้ปัญญาเกิดปัญญาไม่ใช่เกิดด้วยการบังคับปัญญาจะเกิดด้วยการมีข้อมูลข้อมูลที่จะได้ตรงตรงให้เกิดความเข้าใจถูกคือเห็นสภาวะตอนเห็นสภาวะเนี่ยเราเรียกเป็นศัพท์ว่าเจริญสติเห็นกายบ้างเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างเห็นกิเลสนั่นแหละกิเลสคือที่เกิดขึ้นในใจเห็นแร ก, แรก จะเห็นเฉพาะตัวเห็นราคะแล้วก็ดับเห็นโทสะแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้นะต้องพัฒนากุศลตัวใหม่สติก็เป็นกุศลที่สำคัญที่ต้องเริ่มมีให้ได้คือความรู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นสภาวะเนี่ยนะตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะส่งให้เกิดปัญญาคือสมาธิแต่สมาธิที่ว่าเนี่ยต้องเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่น ไม่ใช่จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์หนึ่งถ้าเราจะเพ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเพ่งดอกไม้เราจะส่งจิตไปหาดอกไม้จิตจะเคลื่อนออกมาความเคลื่อนของจิตอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งมัน่นจะเพ่งเล็บส่งจิตออกมาหาเล็บอย่างนี้จิตเคลื่อนออกมาจิตไม่ตั้งมัน่นได้สมาธิแบบหนึ่งเพ่งอยู่กับอารมณ์จะดูลมหายใจยังมีนะ ไหลได้นะแค่จมูกนี่ก็ ptic, ไหลมาได้นะรู้สึกไหมมันจะไหลคิดจะเพ่งลมหายใจน้ํากับบึ้บขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ไหลมาถ้าไหลได้ไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเห็นความไหลใช้ได้เห็นความไหลคือเห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตเห็นที่จิตเลยเห็นความไหลนะฝึกง่ายๆคือเห็นความไหลของจิตเดินเดินไป ลองแกล้งตัวเองเล่นก็ได้ลองไปทำความใส่ใจจุดนั้นแล้วลองมาใส่ใจจุดนี้เริ่มต้นจากทำความรู้ตัวก่อนทำความรู้ตัวรู้สึกที่ตัวแล้วลองสังเกตข้างหน้าอย่างใส่ใจแกล้งๆนะจุดนั้นเป็นยังไงเห็นมันหลไปไหมถ้าไม่เห็นกลับมาใหม่กลับมาอีกลองดูก็ได้ทุกคนลองดูนะ ทำความรู้ตัวก่อนหายใจด้วยความรู้ตัวหายใจด้วยความรู้ตัวลืมตานะต้องลืมตาเล่นอย่างนี้ต้องลืมตาเป็นเล่นเล่นแบบลองเล่นเล่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> จริงจังแล้วนะเล่นเล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นเองแล้วสังเกตพระสังเกตพร ะ, พระดูตาซ้ายของพระพระพุทธรูปนะเห็นไหมเห็นมันไหลไหมจากที่รู้ตัวอยู่ที่ที่ตัวเองเนี่ยวืบไป ถ้าใครไม่เห็นนะก็ลองเล่นอีกเล่นจุดที่ตัวเองสนใจถ้าพบว่ารูปไม่น่าสนใจก็ดูเล็บตัวเองก็ได้อาจจะเพ้นเล็บเป็นรูปรงชาติอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ลองแล้วลองดูว่าจากรู้ตัวอยู่ตรงนี้มันจะไหลปหาเล็บแล้วกลับมารู้ตัวใหม่ <c oughs> แต่เล่นเล็กๆน้อยๆพอพอให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนได้จริงๆไม่ต้องทำบ่อยทำบ่อยกลายเป็นแกล้ง กลายเป็นอะไรไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้เรามาใช้กับชีวิตธรรมชาติทำความรู้ตัวไปเดินไปมีอะไรแวบมาสังเกตปุ๊บมันจะเห็นเลยว่ามันไหลไปรถเฉียวมามันปุ๊บไปไหลไปคนนี้มาทักปุ๊บไหลไปเดินด้วยความรู้ตัวไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะเห็นการไหลไปได้นั่งอยู่เฉยๆยิ่งถ้าไม่ได้ขับรถนะนั่งอยู่เฉยๆเนะี่ยนั่งรู้ตัวไปเรื่อยๆตอนที่มันไม่มีอะไร สำคัญที่น่าสนใจเนี่ยนะก็จะเป็นอุเบกขาเวทนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆไปเจอตรงนี้อ่าใจไหลไอุเบกแล้วอย่างเงี้นะมันสนใจอะไรมันก็จะไปไหลาหาสิ่งนั้นที่มันอุเบกขาอยู่ได้เพราะไอ้สิ่งที่ผ่านมาไม่น่าสนใจเข้าใจไหมใครแต่งงานนานๆจะมีรู้สึกอย่างนี้ได้ไม่น่าสนใจ <c oughs> ออกมาก้านอกบ้านตาวาวน่าสนใจไหลไปแล้วให้รู้ทันอยู่บ้านจิตไม่ไหลเลยตังมัน่นเลยทำความดีแล้วเป็นบุญแบ่งบุญให้กับผู้อื่นด้วยตัวเองมีบุญแล้วนำบุญนั้นขยายออกไป เปิดโอกาสให้คนอื่นได้อนุโมทนาบุญที่ทำแล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นอนุโมทนาแม้จะเป็นบุญอยู่แต่บุญมันไม่ขยายเพียงเปิดใจให้โอกาสคนอื่นอนุโมทนากลายเป็นบุญใหม่บุญเดิมไม่ปกพรองบุญใหม่เกิดขึ้นมาทันทีแม้ไม่มีผู้มาอนุโมทนาเราเปิดใจว่าบุญที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะจิตใจแจ่มใสเบิกบานแบ่งบุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สามารถอนุโมทนาได้เ<ม>บื้องต้นบุญกุศลที่เราได้ทำไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นบุญกุศลที่เกิดจากการได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่จะพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ฉะนั้นเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตะเวทิตาขอน้อมบูชาบุญกุศลอันนี้แด่พระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์สาวกที่ได้สืบศาสนาจนถึงทุกวันนี้ บูชาคุณพ่อคุณแม่อุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่เราเกิดมาชาตินี้ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์อันทรงคุณค่าขนาดนี้เพราะด้วยอาศัยท่านทั้งสองเป็นแดนเกิดได้ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพราะมีคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาเป็นแดนเกิดและเลี้ยงดูอุ้มชูมาขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ ทั้งในชาตินี้และทุกๆชาติที่ผ่านมาขออุทิศให้กับผู้มีพระคุณเราเกิดมาในชาตินี้ได้อาศัยบุคคลมากมายในยามตกทุกข์ได้ยากบ้างในยามปกติบ้างหรือในยามที่เราประสบความสําเร็จและท่านมาอนุโมทนากับเราบ้างท่านเหล่านั้นขอจงมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําจนทุกๆ ท, ท่าน ขออุทิศให้กับเหล่าเทพพยาดาที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ที่ได้ร่วมบุญกันมายังเอื้อเฟื้อกันอยู่ขอให้ท่านจงมีกำลังมากขึ้นเทวดาที่รักษาสถานที่แห่งนี้เทวดาที่รักษาประเทศชาตินี้อยู่ขอให้เทวดาเหล่านั้นจงมีกำลังมากขึ้นมีกำลังที่จะปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาประเทศชาต ให้เป็นที่ที่ดำรงพระศาสนาเป็นประโยชน์กับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปให้ท่านมีกำลังในการดูแลคนดีให้คนดีมีโอกาสในการทำงานให้คนดีมีกำลังในการที่จะอุ้มชูสังคมให้เป็นปกติสุขต่อไปขอทิ้งให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราได้เคยล่วงเกิน พบชาติในอดีตที่เราอาจจะรู้ไม่ทันได้เคยล่วงเกินใครไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความประมาทพลาดพลัง้งท่านทั้งหลายมีความเคืองแคสอย่างไรขอนำบุญกุศลนี้เป็นเครื่องบรรณาการท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีความยินดีคลายความพยาบาทไม่จองเวรซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยความเป็นปกติสุขด้วยกัน แม้เราจะเคยเครืองแค้นใครขอคลายความเครืองแค้นนั้นขอละอากุศลทั้งหลายที่โกรธแค้นไปแล้วขอให้อภัยกับทุกๆคนที่เคยล่วงเกินเราขอตั้งใจว่าเรานับจากนี้ไปจะศึกษาถ้อยคำของพระพุทธองค์ ศึกษาเข้าใจแล้วจะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพสัตว์ตั้งหลายที่รับรู้บุญกุศลอันนี้ที่เราแผห้อยู่นี้จงมีจิตอนุโมทนาที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปที่มีทุกข์ขอจงอนุโมทนาแล้วเปลี่ยนภบภูมิไปสู่สุกติเราตั้งใจอุทิศสุงศนนะยะาวริวหปุราปริโปเรนติสากรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติทานทิทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะ น, นั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขอหิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปเะเมวะสมิจชะตุจงสาเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดาริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชทิรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีประวตุศัพพมังคลังขอศัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน